สัมปชัญญปาภะกับยีเดียปัฏฐปาภะที่เราสวดไปซึ่งเป็นตัวบทช่วงเช้าที่เรจะนํามาวิเคราะห์ซึ่งเมื่อวานเย็นนั้สวดเรื่องอนาปนาสติ16ขั้นซึ่งก็ได้วิเคราะห์กันไปเป็นช่วงเย็นเป็นเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติช่วงเช้าก็จะมาดูตัวบทควบคู่ไปกับการอารมณ์ปฏิบัติ นั่นในก <c oughs> ารที่เราสวดว่าขัชชนโตวะขัชามิติปชาาตินิสินธิตโตวทธิตโหมหิติปชาาตินิสินโนวานิสินโนมหิติปชาาติสยาโนวาสยามโหมหิติปชาาตินี่คือบทสี่ว่าเ <c oughs> มื่อเราเดิน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 เป็นอาการของกายมันจะออกมาในรูปสบายหรือไม่สบายถ้าหากออกมาในรูปของความหนักเหน็บเหนื่อยปวดเมื่อยขัดยอ่อแสบขันก็เป็นทุกขเวทนาที่เราเห็นเพราะฉะนั้นกายกับเวทนาจึงแยกกันออกไม่ได้มันจึงเหมือนจบเหมือนเป็นอันเดียวกันถ้าหากกายไม่มีเวทนามันก็เรียกไม่เรียกว่ากายเราเรียกว่าศพ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 เยน็นมันก็เป็นน้ําเยน็นน้ําแข็งแต่พอออกมาจากตู้ยเย็นมาล้วมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันก็ละลายไปเป็นน้ําเหมือนเดิมเป็นน้ําธรรมดาความเย็นก็หายไปน้ําแข็งก็หายไปนีหมายความว่าในช่วงของการภาวนาเนี่ยเราเหมือนกับเราเอาใจของเราเนี่ยไปสู่อีสภาวะหนึ่งเหมือนในตู้เยน็นแต่พอออกจากช่วงภาวนามันต้องเผชิญโลกกับความเป็นจริงเหมือนกับนําน้ําออกมาจากตู้เยน็นความเย็นก็หายไป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 อ่เราไปจำอาการว่าเรากาลังยืนนะเรากาลังเดินนะไอ้คาว่าเรากาลังยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของสัญญาสังขารวิญญาณแล้วสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไงมันก็เปลี่ยนแปลงคือมันลืมอ่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันหายไปอาการก็ลืมไปตอนที่เรานั่งปฏิบัติทาไมมันจาได้ดีแนละชดัชดชัดแต่เวลาเราออกไปทำไมมันลืมตรเนี้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 อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปัญญากาลีโหติสัมมินชิเตปาสสาลิเตสัมชปชานากาลีโหตินะแล้วก็ยาวไปทีนี้ในท่านในทีนี้ท่านใช้คาว่านาิกีขัชชนโตวะขัชามิติปัญชาติบทในอิทิบทสีท่านใช้คำว่าปัญชาติแต่พอมาในอิทิบทยอยท่านใช้ว่าสัมปัญญากาลีโหติ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 อุจาระปัสสาวะกมเมสัมปชานากาลีโหติรายละเอียดไปถึงขนาดนั้นนะอุจาระปัสสาวะกมเมมพราะวันรนึนหติรายลห้อน้ํ า, าห้องขนาดนั้นนะอุจาระปัแต่ละครัมปชนากาใช่หุ๊รายเลยจะไปถึงขนาดนัยนนะอุจาันจะต้องมีอาการปรากฏก่อนั้ะอาจาระัสอาการเบาปรากฏก่อนโราเอิ่มกปาหนดรู้ล่ะอระ้สึกสักปนักทีโี้เราก็ต้องดไลีกีว่าหนักระดับเนีปยเราจะกปหรือไติไปยละทีมันแค่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 พาสิเตตุนีภาเวสัมปชนากาลีแม้แต่การนิ่งนะตุนหีก็ให้รู้แต่บุดีเวลาเรานิ่งเรารู้ตัวไหมไม่เคยรู้ใช่มหมว่าเรานิ่งเราหยุดเราหยุดเฉยๆนะรู้สึกตัวว่าเราหยุดก็ไม่เคยรู้การไปการนั่งการพูดแล้วการพูดเรารู้ตัวมไหมเรากำลังพูดขณะพูดนี่พูดเร็วพูดช้าพูดถูกพูดผิดพูด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 นะันั่นเองอัตมาเองได้ได้รับประสบการณ์ละผ่านข้อผิดพลาดเหล่านี้มามากแต่โชคดีตรงที่อัตม า, มาไม่ยอมจะนุ่นอะไรง่ายๆนะก็พิสูจน์ใช้สติปัญญาเต็มความสามารถแหละในการจะพิสูจน์ความจริงเนี่ยเพราะไหนๆชีวิตีนท้งชีวิตเราทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เลยอราฉะนั้นเราต้องใช้สติปัญญาทุกเม็ดเท่าเท่าที่เรามีอยู่ถึงแม้มันจะไม่มากแต่เราใช้มันทุกเม็ด